เพราะความสุขสวัสดิพพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี